มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตตมวักอัศสาสะปัสสาสะปัญหาที่ส3บสาถามว่าพระผู้เป็นเจ้าจะยังอัศสาสะปัสสาสะให้ดับได้หรือไม่ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาค่าเสนาฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนผู้จำเริญพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าอาจจะยังอัศาสะปัสสาสะให้ดับนี้จะได้หรือไม่ได้พระนาคเษนจึงวิสัชนาแก้ไขว่าได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาชาวสาคละนคร มีพระราชะองค์การถามว่าพระผู้เป็นเจ้าจะยังอัศสะปัสสะให้ดับนั้นอย่างไรพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูกระระบ่อพิษพระราชสมภารกิงมัญสิพระองค์ลำพึงการสําคัญอย่างไรอันหนึ่งบุคคลที่นอนหลับไปแล้วกรนนี้บุคคลนอนโกรนนั้นพระราชสมภารได้ฟังบ้างหรือหามไม่ได้ ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชะองค์การตรัสว่าโยมได้ยินอยู่นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงถามไปเล่าว่ามหาราชะดูกระมหาบาพิษพระราชะสมภารเสียงคนเมื่อจะตายเมื่อชักดังครอกๆอย่างเสียงกรุนนี้คนตายสิ้นลมหายใจหรือไม่เล่า พระเจ้ากรุงมิลินเป็นประชากรจึงตรัสว่าอย่างนั้นแล้วก็สิ้นลมอัศสาสะปัสสาสะนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนถวายพระพรว่าดูกร ะ, ระบาะพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐคนทั้งหลายเกิดมาไม่ได้จำเริญจิตจำเริญกายเมื่อตัวตายลมหายใจเสียงดังครอกเหมือนด้วยเสียงกรนนั้นลมอัศสาสะปัสสาสะก็ดับหมดสิ้น ธรรมดาที่ท่านรักษาศีลจำเริญภาวนาในจิตในกายเมื่อจะใกล้าตายท่านเข้าจตุทชาญก่อนลมอัศสาสะปัสสาสะจึงดับสิ้นไปเหตุชะนี้อาตมาจึงถวายพระพรว่าอาจจะให้ลมอัศสาสะปัสสาสะดับได้จะให้รู้ว่าลมอัศสาสะปัสสาสะดับด้วยเหตุสองประการใครเกิดมานี้ตายแล้วนี้ ดับไปด้วยกันสิ้นสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ได้ทรงฟังก็โสมนัสตรัสว่ากัลโลสิสาทุสะสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าอั ศ, าศาสาสะปัสสาสะปัญหาเป็นคำรบสิบสามจบเท่านี้